ซึ่งบางทีก็เกิดผลร้ายตามมามันมีผู้ชายคนหนึ่งนะก็ตั้งใจดีนะช่วงเข้าพรรษาก็พยายามงดเหล้าตัวเองนี่เป็นคนติดเหล้าเข้าพรรษาก็พยายามงดเหล้าถือศีลห้าครบก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสําหรับเขาแต่ว่าก็พยายามทําจนได้ก็เรียกว่าต้องอดกลั้น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 ไปกินเหล้านะไปชดเชยที่ได้อดเหล้ามาสามเดือนก็คงมีเพื่อนชวนด้วยนะให้ความดีใจมันทำให้ลพลีผามก็จีแรกอาจจะคิดว่ากินนิดกินหน่อยก็พอแต่พบ ก, กับว่าห้ามใจไม่อยู่ก็เลยกินเข้าไปเยอะมากกินเข้าไปเยอะมากเป็นไงเมาพอเมาเรากลับมาบ้านมา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 พอเ ม, มาหมยแล้วก็เลยก่อปัญหานี่ถ้าเกิดว่ายัางไม่ออกพรรษาเลยเรายังดีใจขนาดนี้นะพอออกพรรษาแล้วหรือว่าพอถึงวันใกล้สึกเนี่ยสำหรับพระใหม่ให้ความดีใจมันก็ยิ่งจะเพิ่มเป็นทวีตรีคูณเลยเพราะว่าพอนึกว่าจะได้ไปทำสิ่งที่ชอบเสร็จทีได้กินของอร่อยนะบางคนก็อาจจะติดหนัง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 มันก็คอยหาช่องอยู่แล้วนะช่วงที่ดีใจจนหลงนะพอเกิดโมหะไอความดีใจก็ทำให้เกิดโมหะได้นะความลืมตัวลาค้าก็เข้าแทรกก็ทำให้อายทำสิ่งที่เป็นโทษ ต, ตัวเองได้หรือแม้แต่ดีใจจนลืมตัวแล้วก็ขับรถนะประมาท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 มันก็พาเรานะเข้ารกเข้าพงได้ฉนันการมีสตนะิในช่วงนี้ก็สำคัญมากนะถ้าเรารับมือกับความดีใจก่อนวันออกวันษาไม่ได้เนี่ยพอถึงวันศึกนี่ก็ยิ่งจะคุมไม่อยู่นะที่จริงประเพณีไทยเาก็มีนะมีวิธีการที่จะ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 แล้วลหลงไหลเพลิดเพลินจนเกิดความประมาทผลแห่งความดีนี่ก็ได้แก่อะไรบ้ า, างก็อาได้แก่ลาบยศสารเสริญทรัพย์สินเงินทองหรือว่ารางวัลชื่อเสียงทําความดีแล้วมันก็ย่อมเกิดผลใครๆก็ชอบน ะ, ะลาบยศสุขสารเสริญ น, น, นี่เขาเราียกอิทธาร่ม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 เรามีตัวตนน้อยลงได้นะนะคำตำหนิติดเตียงก็สามารถจะช่วยให้เราลดละตัวตนไดนะ้เพราะว่ารู้จักพิจารณานะเอ็นใจนได้ว่าสุขหรือทุกข์นะอิทธารมหรือ น, นิถารมเนี่ยเมื่อมันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่สำคัญหรอกมันอยู่ที่ว่าเราเกี่ยวข้องกับมันอย่างไร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 ก็ได้ประโยชน์เหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยสุขหรือทุกข์เนี่ยมันไม่มันไม่สำคัญถ้ากับว่าเราเกี่ยวข้องกับมันอย่างไรนะถ้าเราเกี่ยวข้องถูกเจอทุกข์ก็เป็นกําไรถ้าเกี่ยวข้องไม่ถูกเจอสุขก็กลายเป็นโทษนะในฐานงเดียวกันเวลาเราเรามีอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเรามีให้ถูกนะ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 หรือว่าถึงแม้จะไม่ทำอย่างนั้นแต่ว่าพอมันเกิดศูนย์หายไปก็เป็นทุกข์บางคนถูกโกงไปนะถูกโกงถูกโกงเงินไปเป็นหมื่นเสียใจมากไม่ยอมกินไม่ยอมนอนร่างกายผายผอมนะบางคนทำาสายสร้อยหายทาสร้อยคอหาย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 เคยพูดไปแล้วนะว่าอะไรก็ตามที่เรายึดมัน่นถือมั่นมาเป็นของเราเนี่ยทันทีเลยนะเรากลายเป็นของมันนะเรายอมตายเพื่อมันได้นะจนมาป้นเอาเงินเอาสร้อยคอเอาโทรศัพท์มือถือยิ่งหวงแหมันเท่าไหร่นะก็มีโอกาสจะตายเพราะมันก็คือพอโจนมาป้นบอกให้เอามา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 ลูกพยายามเอาแม่พยายามคุยกับลูกเท่าไหร่ลูกก็ไม่สนใจประท้วงแม่ก็เสียใจทั้งไม่พอใจแล้วก็อน้อยใจด้วยผ่านไปอาทิตย์หนึ่งลูกก็ยังไม่คุยกับแม่แม่ก็เลยยื่นคาขาดนะว่าถ้าลูกไม่คุยกับแม่แม่ฆ่าตัวตายนะนี่ต้องการเอาชนะลูกนะยื่นคําขาดด้วยความคิดว่าลูกจะยอมให้ลูกนี่มันก็มีทิฐิมานะก็ไม่ยอม ไม่ยอมแม่ไม่ยอมแพ้แม่นี่น้อยใจเสียใจแล้วทํำยังไงให้ความเสียใจความน้อยใจนี้มันท่วมทนใจจกนกระทั่งตัด ส, สินใจนะโดดลงมาจากตึกเลยนะฆ่าตัวตายให้ลูกเห็นเลยนะอันนี้ก็เรียกว่าแม่นี่เป็นแม่ไม่ถูกนะ ก็คือไปยึดมั่นถือไม่กับความเป็นแม่มากนะจนกระทั่งไม่พอใจนะเมื่อลูกไม่คูดไม่พูดไม่คุยถ้าเป็นให้ถูกเนี่ยมันก็คงแม่คงจะไม่ทำอย่างนั้นก็คงจะมีความหนักแน่นนะเป็นพ่อไม่ถูนี่ก็เหมือนกันนะมีพ่อคนหนึ่งนะ้วก็เป็นคนที่ชอบเข้วาขวัดเขวาธรรมธรมโมแต่ว่าลูกชายวัยรุ่นนี้ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่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 ตอนกลางคืนพ่อไม่พอใจมากโกรธมากก็ตามไปที่บ้านเพื่อนแล้วก็แปลวรถกลับมาแล้วก็ลากลูกกลับมาด้วยมีการทะเลาะกันคงใช้ถ้อยคำแรงๆนะลูกก็คงจะใช้ถ้อยคำที่พ่อนี่รับได้ยากนะโกรธมากนะลูกไม่ไม่ควรพูดกับพ่ออย่างนั้นโกรธมากคุ้มไม่อยู่นะปืนอยู่ใกล้นี่ก็ยิงเอาปืนยิงลูกตายเลย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 เกิดความขุนเครื่องข้างในอันนี้ก็พอไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นจริงๆโดยที่ไม่ได้เที่ยงมันเป็นแค่สมมุตินะดี๋ยวไปยึดมั่นถือมั่นกับมันมากเป็นนักปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันนะถ้าเป็นไม่ถูกอก็จะมีความถือตัวถือตนว่าฉันเป็นนักปฏิบัติธรรมแกไม่ได้เป็นนักปฏิบัติธรรมนะมองเขาแบบเหยียดๆนะฉันปฏิบัติเธอไม่ปฏิบัตินะฉันยกมือเธอไม่ยกมือนะแย่มากนะ มันส่งสายตาออกมาว่าเธอไม่ได้เรื่องนะอันนี้ก็เราเป็นนักปฏิบัติทำไม่ถูกนะหรือบางทีเกิดความโกรธขึ้นมาก็เสียใจว่านักปฏิบัติธรรมเขาไม่โกรธกันยอมรับความโกรธในใจตัวเองไม่ได้ก็พยายามปฏิเสธความโกรธในใจมีความอิจฉามีความโลภหรือมีราคะเกิดขึ้นก็ยอมรับไม่ได้ไว้นักปฏิบัติธรรมเขาต้องไม่มีแบบนี้ก็กดข่มเอาไว้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 เจาหนที่มันก็เป็นแค่สมมุตินะมนุษย์เราเนี่ยมันติดสมมุติมากเนี่ยเคยเล่าให้ฟังแล้วนะอาหารที่เราเคี้ยวนะอร่อยจะเป็นส้มตําไก่ย่างนะเคี่ยวอร่อยนะแต่พอเราคายออกมาใส่จานเนี่ยถามว่าถ้าจะเคี้ยวตักใส่ปากเข้าไปหมายเนี่ยจะกล้าตักใส่ปากเข้าไปไหมนะส่วนใหญ่ไม่กล้านะ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 พอเจอลูกน้องก็กลายเป็นเจ้านายให้ความเป็นหนะ้าเป็นที่มันแปรเปลี่ยนไปเรื่อยนะมันไม่ใช่คงที่ไปยึดมั่นถือมั่นก็ก็เป็นทุกข์นะเอาพวกเราคงรู้จักหลวงพ่อโตนะหลวงพ่อโตสมณศักดิ์สุดท้ายท่านเนี่ยคือสมเด็จพระพุท ธ, ธาจารย์ท่านก็มีกิติศัพท์ในหลายด้านนะกิติศัพท์ด้านการทำพักเครื่อง นะแต่ว่ากิติศัพท์ที่เป็นผู้ทรงปัญญานี่เราก็ไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่หรือไม่ค่อยได้มีการพูดถึงมีเรื่องเล่าว่าคราวหนึ่งท่านก็ได้รับนิมนต์ให้ไปไปงานบุญนะที่ถวเขตราช บ, บุรณนะท่านอยู่วัดระคังวัดระคังนี่ก็อยู่ติดแม่น้ำเจ้าพระย า, ยาจะไปราช บ, บุรณนะนุ่ก็ต้องเข้าไปทางคลองมากอกน้อยเนี่ยนะมันก็ลึกเนะี่ บอกว่าช่วงนั้นเป็นช่วงน้ําลงแล้วก็เป็นหน้าแล้งเรือเรือสำปันนะที่ท่านใช้เนี่ยกับลูกศิษย์นะกะก็บอกว่าติดนะน้ำมันตื้นไปต่อไม่ได้นะท่านอุตษา์เอาพัดยศอย่างดีไปเลยนะสมเด็จเอาพัดยศไปแต่ว่าไปต่อไม่ได้ลูกศิษย์ก็เลยลงจากเรือมาเข็นเรือ แต่เข็นก็ยังไม่ได้นะหลวงพ่อโตท่านก็เลยลงมาเข็นด้วยระหว่างที่กำลังเข็นเรือกับลูกศิษย์เนี่ยก็มีคนแถวนั้นมาเห็นก็ตะโกนกันว่าสมเด็จเข็นเรือวยนะเห็นเป็นเรื่องแปลกหลวงพ่อโตท่านได้ยินท่านก็บอกว่าฉันชื่อครัวโตจะฉันไม่ใช่สมเด็จสมเด็จอยู่ในเรือจะแล้วก็ชี้ไปที่พัดยศที่ท่านตั้งไว้ในเรือ คือขณะท่านเป็นสมเด็จเรียกว่ารองจากสมเด็จพระสังฆราชนะแต่ว่าท่านก็ไม่ได้คิดว่าท่านเป็นสมเด็จท่านก็ยังคิดว่าท่านชื่อขัวโตตามเดิมท่านไม่ได้สำคัญมั่นหมายกับความเป็นสมเด็จ ด, ด้วยทนะ่านคงเห็นว่าสมเด็จก็เป็นแค่หัวโขนนะเป็นสิ่งที่ติดมากับพัทยศแต่ว่าไม่ได้สำคัญมั่นหมายว่าเนี่ยฉันคือสมเด็จนะมีคราวหนึ่งนะ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 พ่อเอ๋ยนะพ่อเก่งแท้นะฉันขอฝากเนื้อฝากตัวขอให้พ่อเนี่ยช่วยคุ้มครองฉันด้วยนะลูกยอมแพ้แล้วนะพูดอย่างเนี้ยนะบอกกัว่าพระที่ทะเลาะกอันนี่ได้สติเลยจะทําแบบนี้ได้เนี่ยต้องไม่ไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าฉันเป็นจเจ้าอาวาสฉันเป็นอสมเด็จนะคือแม้กระทั่งพระลูกวันนี้ท่านก็พร้อมจะกราบจะไหว้ได้ บอกว่าพอพาสองรูปนั้นได้สตินะก็มากราบท่านท่านก็กราบตอบนะท่าน ก, กราบตอบท่าไม่ใช่ท่านไม่ใช่ปนมือรับนะท่านกราบตอบก็กราบไปไปกราบกันมาทั้งสองคนนั่นแหละนะอันนี้เราว่าท่านเป็นสมเด็จแบบเป็นโดยไม่ยึดมั่นถือมั่นนะพอร่วมเป็นแค่หัวโขนเนี่ยท่านคนเราเนี่ยถ้ามีให้เป็นเป็นให้ถูกเนี่ยนะ มันก็จะมีความสุขได้พุทธศาสนาก็ไม่ได้บิดเสือว่าไม่ต้องมีอะไรนะมีได้แต่ว่ามีโดยไม่ยึดมั่นถือมันมีโดยเป็นนายมันไม่ใช่ให้มันกลายมาเป็นนายเราจะเป็นอะไรก็ได้นะแต่ว่าเป็นโดยไม่ยึดมั่นถือมั่นนะไม่ใช่หลงตัวลืมตนหรือสาคัญมั่นหมายว่าเราเป็นอย่างไ น, นจริงๆจนลืมสมมุติไปเอาคเดียวเพื่ท่านนี้นะเอากราบพระ